อุปมาเหมือนขนไก่หรือเอ็นหรือหนังเนี่ยนะที่ใส่เข้าไปในไฟย่อมหลีกออกงอกลับม้วนกลับไม่คลี่ออกแม้ฉันใดจิตของพโยคีบุคคล น, นั้นย่อมหลบหลีกถอยกลับม้วนกลับไม่ยินดีในพบทั้งสามก็ฉันนั้นไม่ต้องการตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไหนอีกแล้วเนี่ยนะถอยอีกแล้วถอยไม่เอาอีกแล้วเนี่ยนะอุเบกขาความวางเฉยนั้นย่อมตั้งมั่น สังขารุปเปขาญาณย่อมเป็นอันเกิดขึ้นแล้วแก่พระโยคีบุคคล น, นั้นด้วยประการชนีเรียกว่าเป็นการวางใจในขันห้าแบบคนที่รอบรู้ขันห้าเป็นเอ็นอย่างดีเลยนะเอ็นรู้ดีว่ามันเป็นยังไงรู้ดีว่าขันห้าเป็นยังไงกระโแล้วรู้ดีว่าเขาเป็นยังไงเขาสันตาปนัโตของเดือกของเล่าร้อนดีๆนี่แหละไม่มีอะไรนะอะไร เขาก็ค <owad> <an> ือของร้อนเห็นะหมเขาเป็นของที่เปรปรวนเป็นของที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นของที่ไม่เที่ยงน้อมไปพิจารณายังไงก็คือเป็นของเร่าร้อนเป็นของเบียดเบียนเป็นของบีบคั้นเป็นของเปรปรวนอยู่อย่างนั้นแหละคือคิดยังไงมันก็เหมือนกับว่าเราเกี่ยวข้องอยู่กับฟองน้ําำ嘛นะว่าฟองน้ํามันก็คือฟองน้ํามันก็เป็นของที่ไม่มีสาระเบียดเบียนเดี๋ยวก็เปรีปรูนเดี๋ยวก็แตกก็อยู่อย่างนั้นนั่นแหละ สังจิตก็มุ่งจะหลีกออกน้อมออกอย่างเดียวอนุโลมยานกับสังขารุเปกขายานเนี่ยเป็นเหตุให้สําเร็จโคตรภูยานในเบื้องบนเออถ้าสังขารุเปกขายานเนี่ยเกิดดีชํานานเนี่ยนะก็จะเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยแก่อนุโลมยานนะแต่ถ้าวิถีใดที่สังขารุเปกขายานเกิดอนุโลมยานโคตรภูยานเกิดวิถีนั้นเป็น มัคควิถีแต่ถ้าเป็นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายแล้วเนี่ยนะท่านจะเจริญได้ถึงแค่สังขารุปเปกขายานเกินกว่านี้ไม่ได้นะเพราะว่ามัคควิถีจะไม่เกิดเนี่ยนะแต่ว่ายานทั้งหลายก่อนหน้านี้มาก็ชื่อว่าสัจจานุโล ม, มิกฉาญาณหรือสัจจายานเหมือนกันเพราะาเป็นยานที่อนุโลมตามลักษณะของอริยสัตว์มาตลอด เนี่ต่อไปว่าแม้โคตรภูยานขออภัยแม้อนุโลมายานเนี่ยนะจะไม่ได้กล่าวด้วยยานต้นและยานหลังก็พึงทราบว่าเป็นอันกล่าวไว้แล้วทีเดียวพอพูดถึงสังขารุเปกขายานแล้วก็ยานต่อไปคือโคตรภูยานถามมาสังขารุเปกอานุโลมายานเท่ากับพูดหรือยังพูดแล้วอนะก็พูดเฉพาะหัวกับท้ายก็พอนะ ทีนี้ท่านก็ยกข้อความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าอนุโลมายานเนี่ยมีอยู่นะพระพุทธพจน์มีอยู่อย่างเช่นในอังคุตรนิกายฉักกญนิบาตว่าิกดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพิสูจผู้พิจารณาเห็นสังขารไรๆโดยความเป็นของเที่ยงจากเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควรก็คืออนุโลมขันติยามเนี่ยนะข้อนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ อ่า น, นะสรุปว่าตามเห็นแต่สังขารว่าเ ป, เ, <ham? S 1> เป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นของงาม <ham? S 1> เป็นต้นเนี่ยนะอนุโลมขันติยานจะเกิดได้ไหมไอคําว่าเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควรเนี่ยนี่อันนี้หมายถึงอนุโลมขันติยานเห็นไหมอ่ะอนุโลมขันติยานี่จะเกิดได้ไหมถ้าตามเห็นสังขารโดยความเป็นของเที่ยงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าเห็นสังขารโดยความเป็นของเที่ยงไม่ใช่ฐานะที่จะอนุโลมต่อ อริยสัจถ้าไม่อนุโลมต่ออริยสัจอย่างนี้นะห้ามไม่ประกอบด้วยขันติที่สมควรที่เรียกว่าอนุโลมต่อสัจจะอย่างนี้การที่จะก้าวลงสู่ความเป็นของสัมมัตตานิยามนะแต่ว่าความเห็นชอบและความแน่นอนข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อไม่ก้าวลงสู่ความเป็นเห็นชอบและความแน่นอนจักทาให้แจ้งโสดาปฏิพนสกาธาคามีผล อาาคามีผลอรหัตต์ผลข้อนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ถ้าว่าย่อๆรวบๆง่ายๆสั้นๆนก็คือหนึ่งนะถ้าไม่ตามเห็นขันถ้าไม่ตามเห็นว่าขันห้าเป็นของไม่เที่ยงจะเกิดอนุโลมมายันไม่ได้ถ้าเกิดอนุโลมมายันไม่ได้มรรคยานเกิดไม่ได้ถ้ามรรคยานเกิดไม่ได้สามัญญาผลทั้งหลายเกิดไม่ได้นะ อันการตามเห็นว่าสังขารเป็นของเที่ยงเนี่ยนะเป็นของดีเยี่ยมการตามเห็นสังขารโดยความเป็นทุกข์เนี่ยเป็นของดีจริงๆเพราะอะไรเพราะอนุโ ล, ลมต่ออริยสัจถ้าอนุโลมต่ออริยสัจอริยมัตจะเกิดถ้าอริยมัตเกิดสามัญญผลก็เป็นอันทําให้แจ้งเออคันติในที่นี้หมายถึงอะไรครับคันติตัวนี้เป็นเป็นชื่อของปัญญาอนุโลมขันติก็คืออนุโลมญาณ อก็เกินผ่อนก็คืออนุโลมายานหรืออนุโลมขันติยา น, น, น, นขันติรุจิอะไรพวกนะี้ยสับตอนั้นก็เป็นชื่อของปัญญาอยู่แนละ้วความเห็นชอบและความแน่นอนสัมมัตตนิยามนี่ไปถึงเป็นชื่อของอริย ม, มนะรรคกว่าสัมมัตตนิยามที่เรียกว่าความเห็นชอบและความแน่นอนเนี่ยมาจากบาลีว่าสัมมัตตนิยามเนี่ยสัมมัตตนิยตาธรรมมาเนี่ยตัวนี้เป็นชื่อของอริยมรรค ทั้งหลายมีโสดาปฏิมักสกะทาคามีมักอนาคามีมักและอรหัตตมักนั่นเองอันนี้ยกตัวอย่างว่าอนุโลมายานเนี่ยนะแม้ในพระพุทธพจน์ก็มีว่าสังขารุเปขาญาณพอสังขารุเปขาญาณเกิดขึ้นและดับไปเนี่ยนะเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่อนุโลมายานอนุโลมายานนี่แหละเป็นอุปนิสัยแก่โคตรภูยานทีนี้อนุโลมายานเนี่ย มีแต่ว่าปฏิสมัมพันธมักไม่ได้ถึงไม่ได้ยกมาก็เหมือนกับยกมาแล้วเพราะว่าพูดแต่หัวกับท้ายก็พอนะหนึ่งสามห้าเจ็ดถามว่าสองสี่หกแปดเนี่ยพูดหรื อ, อยังพูดแล้วอไเพราะมันถ้าพูดหนึ่งสามหนึ่งสามห้าเจ็ดก็เท่ากับสองสี่หกแปดก็อะไรเพราะมันอยู่ใกล้ๆกันมันมันจะต้องเป็นไปตามลำดับอยู่แล้วมันจะลัดไม่ได้ยานเหล่านี้ไม่ลัด ทีนี้ต่อไปนะแล้วก็ยังยกข้อความในปฏิสัมพิธามมาอีกว่าก็เแคสุย่อมได้อนุลมะขันติด้วยอาการเท่าไหร่ย่อมก้าวลงสู่สัมมัตตานิยามด้วยอาการเท่าไหร่ไอคําว่าอนุโลมะขันติตัวนั้นชื่อว่าเอาอนุโลมายานสัมมัตตานิยามนี่เป็นชื่อของอริยมรรคที่ถามว่าย่อมได้อนุโลมะขันติก็คืออนุโลมอนุโลมายานเนี่ยด้วยอาการเท่าไหร่บอกว่า ที่สู่ย่อมหน้าอนุโลมยานด้วยอาการสี่สิบสี่สิบคืออะไรก็าตามเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงก็จะได้อนุโลมยานตามเห็นด้วยความเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฟีเป็นนางลูกศรเป็นความลำบากแต่ละอย่างก็เป็นเป็นเหตุให้เกิดอนุโลมายานเนี่ยนะซึ่งจะได้กล่าวอีกครั้งละเอียดในหัวข้อว่าด้วยวิปัสนาญาณในยอาในปัญญาคถาเนี่ยนะโน้นท้ายสุดนั่นแหละ เือท้ายท้ยสุดนั่นแหละไม่ใช่เล่มนี้นะภาค พ, พิสดารภาคหน้าส่วนที่จะก้าวลงสู่สัมมติตนิยามด้วยอาการสี่สิบสัมม ต, ตานิยามเนี่ยมหมายความว่าอริยมรรคเนี่ยเกิดโดยสี่สิบวิธีที่จริงก็คือพิจารณาไม่เที่ยงก็บรรุมมรรคได้นะพิจารณาเป็นทุกข์ก็บรรุมมรรคได้พิจารณาโดยความเป็นอนัตตาก็บรรุมมรรคได้เป็นโรคพิจารณาโดยความเป็นโรคก็บรรลุมมรรคได้มีใช่ไหมบางสูตรบอกว่า คำว่าโรคเป็นชื่อของกายอันนี้นี่แหละแล้วก็จบสู่นั้นมีผู้บรรลุมีไหมมีดูความพิสูจน์ทั้งหลายคำว่าฝีเป็นชื่อของกายนี่แหละก็มีผู้ที่บรรลุนะเพราะช่วยคําเหล่านี้อ่ะมันเป็นทุกเป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นลูกศรเนี่ยนะก็มีผู้บรรลุอ น, นะเป็นอนัตตาเป็นต้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็มีผู้บรรลุเพรา ะ, อะบอกว่าผู้ที่ศึกษาปฏิสัมพัทามรรคนะรู้วิธีบรรลุได้เยอะมาก ถามว่าคนที่รู้วิธีค้าขายเนยปกติค้าขายรวยมีไหมไม่แน่เสมอไปใช่ไหมผู้ที่รู้รู้ศึกษาพระธรรมนะรู้วิธีบรรลุนิพพานทั้งหลายอย่างแต่ว่าไม่ได้เสมอไปนะแง่งหน้าคิดอย่างขนาดรู้วิธียังไม่บรรลุมันจะขนาดไหนนะถ้าไม่รู้มันจะขนาดไหนนะอืออ่าแล้วก็ในในเนี่ยนะไม่ใช่ในฉักกะนี้บาสเท่านั้นนะในปฏิสัมพิธามมักก็มีอนุโลมยาน แล้วก็ไม่ใช่มีเฉพาะในปฏิสามพิธามรักเท่านั้นแม้แต่คำพิมร์มหาปฐานพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสไว้ว่าอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูด้วยอํานาจอนันตระปัจจัยพุทธพจน์นี้อยู่ในอะไรอยู่ในอนันตรปัจจั ย, น อ, ย, น อ, อ, ยนอนะอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานด้วยอํานาจอนันตรปัจจัยเพราะนั้นอ น, นุโลมมายาเนี่ยแม้แต่ในปฐานก็แสดงก็มีอยู่คือคือท่านต้องการจะรับอ่ายก สามตัวอย่างมาเป็นเหตุผลว่าในคมภีปฏิสัมพิธามักแสดงสังขารุเปกขายาณเสร็จแล้วต่อด้วยโคตรภูญานจริงๆในระหว่างนั้นมีอนุโลมายานอยู่นะแล้วก็ยกมายกมาอ้างสามคำพีคือยกมาจากอังคุตรนิกายยกมาจากปฏิสัมพิธามักและยกมาจากอัถฐานอันนี้ขอ ย, ยกมาพอเป็นตัวอย่างเหมงอนกัน ย, ย, คคนนยิงอยู่เมื่อพระโยคีบุคคลนั้นเสพอยู่เจริญอยู่กระทําให้มากอยู่ซึ่งสังขารูปเปกขายานนั้นอธิโมกขสัท ธ, ธาก็ย่อมมีกําลังยิ่งวิริยะก็ประคองไว้ด้วยดีสติก็ตั้งมั่นจิตก็เป็นสมาธิสังขารูปเปกขายานก็ย่อมเป็นตายอย่างแรงกล้าอันเนี้นะผู้ ก, การก็จะเข้าหลักอศิกขาสมาณนะเมื่อน้อมจิตไปด้วยสัท ธ, ธาก็ชื่อว่าศิกขาใช่ไหมประคองความเพียรก็ชื่อว่า สิกขาตั้งสติก็ชื่อว่าสิกขาอานะตั้งจิตก็ชื่อว่าสิกขาปัญญาที่รู้ไปเพื่อเห็นชัดก็ชื่อว่าสิกขาแต่ตรงนี้ยกตัวอย่างเป็นอนะินทะรี่ห้าเนี่ยนะก็เจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะนะอันนี้ยกมาเป็นตัวอย่างว่าอินรียห้านะสติประธาน 4, สี่สมมติประธานสีอิที่บาสีพละห้า 5, โพชฌงเจ็ดอริยมรตเนี่ยเอมรตเนี่ยเริ่มแสดงหมดแนละ้วเพียงยกอินทรี่ห้าพอเป็น ตัวอย่างเนี่ยนะว่าเริ่มอนุโลมเข้าหากันแล้วนะแปลว่าเริ่มจับประชุมกันแล้วอนะเกือบบรรลุแล้วจิตนั้นพิจารณาสังขารทั้งหลายว่าอ น, นิจจาไม่เที่ยงหรือว่าทุกข์หาเป็นทุกข์หรือว่าอนัตตามิใช่อัตตาด้วยสังขารูปเปกขาด้วยหวังว่ามักจะเกิดขึ้นอันนี้หมายถึงวิถีก่อนมรรควิถีจะเกิดอนะมรรคก่อนมรรควิถีจะเกิดนั้นน่ะพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็น หน้าตาแล้วก็ลงสู่ภวังเตื่นมาจากภวังไม่ได้หลับยาวนะี่วิทย์เดียวกันนี่นไม่ได้ไม่ได้ตื่นขึ้นมานะเหมือนว่าสังขารุ่งเปก์ขายานเช้าตื่นมาแล้วบรรลุไม่ใช่แต่ก็มีนะในคัมพี์เนี่ยถ้าพิสุรูปหนึ่งท่านเจริญนิปสนานะแต่วท่านก็หลับไปหลับแล้วฝันฝันว่าขี่ช้างแล้คนมาดูท่านแต้ไปหมดเลยนะท่านก็ตื่นขึ้นมาเอตกใจในตอนฝันแล้วตื่น คนมีกิเลสเท่านั้นแหละฝันอาเรยะท่านในฝันบอกท่านก็สังเวชนะเตือนมาแล้วพิจารณาวิปัสนาบรรลุเล ย, ยนะมีรูปหนึ่งนะตื่นมาจากหลับเรื่อบรุ้เลยนะะแต่ว่าในายคำพี ก, ก็มีองค์เดียวอนะเราก็จะไปเปรียบกระทั่งเนี่ยนะเรามาตั้งหลายตื่นแนละ้วทีนี้พอตื่นมาจากผวังเข้ามโนทวาราวัชนะก็เกิดขึ้นทำสังขารทั้งหลาย โดยในที่สังขารุปเปกขาญาณ น, นั่นแหละทําให้แล้วเกิดเป็นอารมณ์ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนาตาัตตาก็จากมนโนทวาราวัชนะนั้นชวนจิตก็เกิดขึ้นสองหรือสามขณะหรือสี่ขณะรับเอาสังขารทั้งหลายทําให้เป็นอารมณ์เหมือนอย่างนั้นแลก็คือบริกรรมอุปจาระอนุโลมเนี่ยนะพวกนี้ก็ยังมนาจิการไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ ยานอันสัมปยุตกับชาวนะจิตนั้นชื่อว่าอนุโลมยานจึงอยู่อนุโลมยานนั้นย่อมอนุโลมต่อวิปัสนาญาณแปดในเบื้องต้นเพราะเป็นกิจแห่งสัตญาณสรุปว่าวิปัสนาญาณแปดตั้งกะต้นมาเลยนะหนึ่งอะไรกวนะหนึ่งสัมมาสนาญาณสองอุทยพยายานสามพยตุปทานญาณสี่ พังขยานก่อนนะพังขยานสี่พังคยานห้าพยตูอัถานายานหกอาทินวายานเจ็ดนิพพิธายานแปดปฏิสังขารยานมูลจิตุกรรมมยตายานสังขารุปเปกขายานจะเกินแปดได้ยังอันแหละแถวๆนั้นแหละไล่เอาครบกันแล้วกันเพราะนั้นพวกอนุโล ม, มายานเรียกว่าอนุโลมตามหลักวิปัสสนาก่อนหน้านี้มาแล้ว พออนุโลมมาตามวิปัสนาอย่างนี้ก็อนุโลมต่อโพธิปักฉิยธรรมสามสิบเจ็ดประการอันเป็นธรรมะที่จะพึงบรรลุในเบื้องหน้าอันนะอนุโลมตามวิปัสนาแล้วก็อนุโลมตามโพธิปักฉิยธรรมโหโกว่าจะถึงอนุโลมมายาเ น, นี่ยนะใครเจริญได้เนี่ยนะขอข อ, อกราบไหว้ท่านเถิมมีบุญจริงๆ เหมือนอย่างว่าทำมิกราชาประทับนั่งบนบัลลังก์เป็นที่วินิจฉัยทรงสดับการวินิจฉัยของอมาตะผู้ฉลาดในโวหารแปคนแล้วทรงละอคติวางพระองค์เป็นกลางอนุโมทนาว่าเป็นอย่างนั้นเถิดย่อมอนุโลมตามข้อวินิจฉัยของอมาตะทั้งแปดคนเหล่านั้นและอนุโลมตามโบราณราชธรรมในข้ออุปมานั้นอนุโลมมายานเปรียบเหมือนพระราชาวิปัสสนาญาณแปดเปรียบเหมือนมหาอมาตะผู้ฉลาดใน โวหารโวหารคือกฎหมายนะโพธิปัจจธรรมสามสิเจ็ดเปรียบเหมือนโบราณราชธรรมพระราชาเนี่ยทรงอนุโมทนาว่าเป็นอย่างนั้นเถิดชื่อว่าอนุโลมตามข้อวินิจฉัยของเหล่าอามาัดผู้ฉลาดในโวหารด้วยตามราชธรรมด้วยฉันใดคือพระราชาเนี่ยอนุโลมต่อสองอย่างในชะ่ไหอนุโลมตามข้อวินิจฉัยของอามาตสองอนุโลมตามราชธรรมโบราณราชธรรมเนี่ยนะ อนุโลมมายานนี้ก็ฉันอันเหมือนกันอนุโลมตามวิปัสนายานแปดที่เกิดขึ้นกราบสังขารทั้งหลายด้วยสามารถแห่งพระไตรลักษณ์มีอนิจจาลักษณะเป็นต้นเพราะเป็นกิจแห่งสัจจะอ่านะกิจแห่งสัจจะก็คือทุกขสัจนะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเป็นต้นจะไหมอนุโลมตามโพธิปัจขยธรรมสามสิบเจ็ดประทานอันเป็นธรรมที่จะพึงบรรลุในเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นยามนี้นั้นจึงชื่อว่าอนุโลมมายามชนีแลนเนียนะ โอ้ oh, ถ้าใครปฏิบัติถึงขนาดนี้แล้วนะอย่าลืมกันบ้างเนื่องสาหรับนมามรูปปฤกษ์เทวญาณกับปัจจิยาปริกะหะญาณทําไมท่านถึงไม่นับว่าเป็นวิปัสนาญาณเลยครับก็คําว่าวิปัสนาเนี่ยนะทั่วๆไปท่านบอกว่าเห็นแจ้งคือเห็นแจ้งในลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจึงชื่อว่าเห็นแจ้งเนี่ยนะคือท่านไม่ค่อยบอกว่าชื่อว่าวิปัสนาเพราะเห็นแจ้งนามรูปเนี่ยท่านจะไม่วิเคราะห์แบบนี้ การวิเคราะห์สับของท่านก็เห็นแจ้งก็คือเห็นแจ้งในความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นต้นอะไรซึงชื่อว่าวิปัสสนาเอตอนที่พิจารณารู้นามรูปแล้วก็รู้ตามรู้ความเป็นปัจจัยของนามรูปนี่ไม่ชื่อว่าเห็นอนัตตานะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยมันยังไงมันเป็นการรู้จักสภาวะธรรมว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นเองนะซึ่งยังไม่ใช่เป็นความพิเศษอะไรเท่าไหร่ เนะมันไม่ใช่ความพิเศษอย่างสูงนะการการเหมือนกับว uh ่ารู้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรในนั้นไม่ใช่อะไรเป็นอะไรเป็นต้นเนี่ยนะลักษกายาิติล่าวิจิกิจฉาอันะซึ่งซึ่งยังไม่ได้เป็นการเจริญเพื่อออกอะไรแต่เป็นการเรียนรู้เพื่อรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรมันเหมือนกับว่าเป็นการแยกอะไหล่แยกถ้าเป็นเครื่องยนต์กลไกทั้งหลายก็แยกว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะ ยังไม่ได้เป็นการประกอบยังไม่ได้เป็นการจัด ก, การไปใช้อะไรในในสิ่งนั้นจริงๆแต่ถ้าตั้งกับวิปัสสนาพิจารณาเลยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยเป็นการวินิจฉัยตามหลักอริยสัจว่าอริยสัจเป็นอย่างนี้นะเห็นไทุกมันไม่เที่ยงอย่างนี้นะสมุทัยเนี่ยควรละอย่างนี้อันะที่สุดแห่งสิ่งเหล่านี้ควรทาให้แจ้งงนั้นปัญญาจึงเริ่มวินิจฉัยใคร่ควรในในระดับสัมมานายามเป็นต้นนั่นสหรับ คือยพยัญญานี่พิจารณาโดยเห็นความเกิดดับก็คือรู้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเอับความเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่คล่องแคล่วเป็นอย่างดีเห็นไหมขณะนี้ตั้งแต่พังคานุปัสสนาขึ้นไปเนี่ยก็ยังรู้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตั้งแต่พังคยานเป็นต้นไปเนี่ยคืออนุปัสสนเจ็แต่ก็ยังรู้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยหรอคือยานทุกยานเนี่ยนะก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งหมด ตั้งแต่สัมมาสนญาณเป็นต้นไปเนี่ยนะก็คืออยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตาตาทั้งหมดเนี่ยนะแม้แต่นิพพิทายานมุลจิทุกนิพพิทายานมูลจิตทั้งหมดทั้นสูงก็คือไตรลักษณ์นั่นแหละไม่ได้พิเศษอะไรตอนที่มีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์กับตอนที่มีความเบื่อหน่ายใคร่จะพ้นเนี่ยครับ การเบื่อหน่ายใกล้จะพ้นเหล่านั้นเป็นความรู้สึกจากการที่มีใจรักใจอารมณ์หรงไงฮะเอ่อเป็นใช่เป็นเป็นผลจากการเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเพราะนั้นคือไอการตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะผลของการเห็นอย่างนี้ตรงๆงเลยก็คือพังขยานทีนี้เมื่อเห็นอย่างนี้เข้านี่มันมหาภัยนี่ก็เป็นพยตูปฐานญาณสิ่งเหล่านี้มีโทษก็เป็นอารีนวายานใช่ไหมสิ่งเหล่านี้มันน่าเบื่อหน่ายเป็น นิพปิทายานพอรู้ก็อยู่บนพื้นฐานความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะอยอย่างงี้มันใช้ไม่ได้เลยนะมันต้องออกเลยนะอันนั้นก็เป็นกลมมลจิตุกรรมมยตายานหาทางออกให้ได้อนะันเป็นเรียกว่าสังขารุเปกขาญาณเนี่ยนะวางใจเพื่อที่จะออกนะแล้วก็มโนมานสิการเพื่อจะออกซึ่งแม้กระทั่งในวิถีท้ายๆก็ยังอยู่ในในกฎเกณฑ์ของอตรลักษณ์ในการพิจรารณาไตรลักษณ์ ซึ่งไอาการอยู่บนพื้นฐานแห่งการพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะมันเป็นอุปนิสัยให้ให้เบื่อหน่ายเป็นอุปนิสัยให้คิดที่จะถอนตัวออกจากอุปาทานขันธ์ห้าซึ่งพื้นฐานดั้งเดิมของเขาก็คือการเห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองเนันะ้นจึงวิปัสสนาญาณชั้นสูงเนี่ยน ะ, ะก็คืออยู่บนพื้นฐานของไตรลักษณ์อยู่ดีอันถ้าบอกว่า ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาควรแกการเบื่อหน่ายอนนีะ้บางสู่นี่ชี้นาเลยบอกว่าควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายอนนะเพื่อที่จะได้ได้อัดอะไรตัดเยื่อใยสักทีหนึ่งพร ะ, จะราจารคะแล้ว เ, เมื่อเราจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ตั้งแต่สมัสนิยานขึ้นไปเนี่ยแต่ว่า อ, อ, อย่างสังขาพปริเชษทายานกับปัจจยปริคหายานเนี่ย อ, อท่านแสดงว่าเป็นการรู้ของสภาพธรรมะใช่ไเพื่อให้เห็นแจ้ใช่<ร>ก็เรียกว่าเห็นสภาวะลักษณะแล้วทำไมทําไมท่านสงเคราะห์ลงมาในวิปัสสนาญาณซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นความรู้แจ้งเนี่ยรู้แจ้งเพืจะรู้ในลักษณะของไตรลักษณ์แล้วเราสงเคราะห์เริ่มตั้งแต่การระลึกของเรื่องของออสภาวะของธรรมะที่เป็นญานะที่หนึ่งกับที่สองนี่ค่ะเออยานะที่หนึ่งที่สองเนี่ยนะ เอตามคมภีร์ที่เรียกว่าวิปัสนาเป็นต้นเนี่ยแทบจะไม่สงคราะห์เลยเว้นแต่หนังสือที่อาจารย์ยุคหลังเขียนขึ้นถ้าเป็นดั้งเดิมเลยนะยิ่งในชั้นพระไตรปิฎกด้วยยิ่งไม่มีชั้นพระไตรปิฎกด้วยนี่ก็คือปฏิสัมพิทาเนี่ยนะหรือในที่อื่นๆก็บอกเลยเช่นปฏิสัมพันธก็บอกเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะการอพูดถึงเนี่ยพูดถึงรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยนะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เรียกว่า เช็นดูความพิสูจทั้งหลายอาศัยจากผูกับรูปเกิดจากผูวิญญาณนี่ก็คือพูดนำรูปพร้อมทั้งปัจจัยโดยธรรมชาติอยู่แล้วเห็นไหมพอแสดงอย่างนี้จบว่าจากผูเที่ยงหรือไม่เที่ยงอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มประกาศสิ่งที่พิเศษขึ้นแล้วเห็นไหมเริ่มเริ่มจะชี้นำอริยสัจแต่นี้เป็นการเริ่มเบื้องแรกเริ่มแยกแยะให้เห็นในความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเพื่อจะแก้ลับที่เดียร์ถีที่เรียกว่ามีอัตตาอยู่ในในนั้นเนี่ยนะเท่านั้นเอง อันจึงเป็นเป็นลักษณะเบื้องต้นเท่านั้นแต่ทีนี้พอมาคำพีชั้นหลังๆมาก็เริ่มมาให้ค่ากับการเนี่ยนะต้องกําหนดนามรูปนะแยกความเป็นนามกับความเป็นเป็นรูปะนะแยกไปแยกมาก็ถามว่ายังไม่มีใครมีมิตเตอร์วัดได้แยกได้พอหรือยังเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นว่าโอ้ยุ่งวุ่นวายมากเลยทีนี้ในในสิ่งเหล่าเนี้ยเราจึงเอ่ออย่าไปวุ่นวายกับเรื่องว่าอะไรเป็นนามอะไรเป็นรูปแยกนามแยกรูปะนะ ทำความเข้าใจให้ดีว่าคําสอนพระพุทธเจ้าสอนว่าอะไรในชีวิตที่เป็นจริงอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะเราต้องพยายามคิดแบบพระพุทธเจ้าคิดเราอย่าไปคิดแบบเราคิดคิดตามท่านอย่างเดียวเนี่ยนะพอคิดตามท่านเนี่ยนะท่านไม่พาเราผิดทางหรอกเพราะว่าท่านพาเราพ้นทุกอยู่แล้วล่ะขอให้คิดตามท่านเถอะเช้นคิดตามฉะฉักระสูตรคิดตามมหาปุณณะสูตรคิดตามสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้สักสูตรหนึ่งคิดตามท่านไปเถอะ แล้วท่านจะนําเราออกจากวตาเองนะแต่ถ้าคิดแบบเรานะั้นมันต้องเห็นตามความเป็นจริงไอ้จริงของเราเอาอะไรเป็นเครื่องวัดนะ่เห็นไหมเราก็จะมายืนยันบนหลักการของเราเองนะั้นแหะนะมันจะหนักๆเข้าเราก็จะไม่ค่อยอนุโลมไม่ค่อยอนุออนวัตตามคําสอนมากนะักพระอาจารย์คะที่มีท่านสแสดงมาต้นๆชั่วโมงว่าอนุปัสนาจิตที่เป็นทุกขานุปัสนาเนี่ยแล้วก็จะเหมือนกับ อ่ะอภปณิหิตการนุปัสนาซึ่งถ้าเป็นทุกขานุปัสนาเนี่ยมันจะตามเห็นความเป็นทุกข์ที่จะละสุขสัญญาใช่ไฮะแต่ว่าถ้าเป็นอภปณิหิตการนุปนัสนานีจะล ะ, ะความปรารถนานี้หาเหมือนกันยังไงแต่ว่าความรักตา่ตางกันถามว่าสิ่งใดที่เป็นความสุขเนะี่สิ่งนั้นเราต้องการไหมสิ่งที่เราต้องการก็คือความสุขใช่ไหมมันก็คือสิ่งเดียวกัน นั้นถ้ากล่าวบอกว่าถ้าอัปปนิหิตานุปัสนาละปณิที่คือความปรารถนาถ้าเป็นทุกขานุปัสนาละสุขสัญญาคือจริงๆอ่ะ น, นะมันแค่ต่างกันโดยวัยพจศเรียกว่าต่างแค่เววจนะหาระเท่านั้นเองซึ่งอบางคนหนึ่งคือสิ่งที่เราปรารถนาคือความสุขเพราะมันสุขนั่นแหละเราจึงปรารถนาแต่ทีนี้ไอ้บางคนเนี่ยกล่าวว่าเจริญ ทุกขานุปัสสนาหรือเจริญอภปณิหิตานุปัสสนาเพื่อที่จะได้ละทั้งความสำคัญว่าสุขละทั้งความปรารถนาในสิ่งนั้ น, น, น